<Book> <86. S 3> บุ๊กทูแปดสิบหกยนภ่ะให้อาคำถามอดีตการสองปริศนลูกบุตการันเรนดคุณผูกเน็คไทเส้นไหนมีรูยืดท้ยกัดคุณนาร คุณซื้อรถคันไหนแล้วมีรีอเอคาร์ก่อนนารุคุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหนมีรีอเอสมาคมประชาธิปไตยก่อนนารุคุณได้เห็นใครมีรีอเอวริษัทจูซารุคุณได้พบใครมีรีอเอวริษัทกาลิซารุ คุณได้เจอใครที่รู้จักมืรอเยวรุนอีกุตปัตตารุคุณตื่นนอนกี่โมงมื i อเยปุรุเลีชารุคุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไรเม่อเยปุุบายเดรารุคุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไร่มื่อเยปุุมุกิณชารุ ทำไมคุณถึงตื่นนอนเมรียับปุระเลี้ยชารุทำไมคุณถึงเป็นครูเมรียับปุระอธยาปักดูอธยาปักุราลูอายารุทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่เมรียับปุรแท็กซี่ติสกุนารุคุณมาจากไหน มีเรื่อยักขัดหนุนดีวะชรคุณไปไหนมามีเรื่อยักดีเขวหลั่รคุณไปอยู่ที่ไหนมามีเรื่อยักขัดวุ่รคุณไปช่วยใครมามีเรื่อยักอะไรคือสหายคุณเขียนถึงใครมีเรื่อยักอะไรคือวัตถุร้า คุณตอบใครเมรุเยาวริกันจาวาบราษารู